สเสวยราชาสมบัติปกครองไพร่ฟ้าประชาชนในแคว้นของพระองค์ให้ได้รับความสุขสืบมาแล้วพระองค์ก็ทรงได้พระราชโอรสองค์หนึ่งแต่พอประสูติออกมาบรรดาหัวราชา์ทั้งหลายก็พากันถวายพยากรณว่าต่อไปภายหน้าพระราชกุมารนี้จกสิ้นพระชนเพราะอดน้ำนอดน้ำตายว่าอย่างนั้นพอทรงทราบคำพยากร์อย่างนี้พระองค์ก็มีพระบรมราชาองค์การสั่งให้ขุดบ่อน้าไว้ทุกตําบลทั่วราชาอาณาจักร ด้วยพระราชประสงค์ว่าเมื่อพระราชกุมารเสด็จไปประพาสที่ไหนจะได้ไม่ขาดแคลนน้ําและจะได้ไม่อดน้ําตายอย่างที่หมอดูทายไว้วันหนึ่งพระราชโอรสตอนนั้นเติบใหญ่อยู่ในวัยชกันเสด็จไปประพาสราชอุทยานแล้วกลับมาถึงประตูพระนครทอดพระเนตรเห็นพระปัเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่ได้แสดงความเคารพตัวเหมือนกับคนอื่นๆก็ทรงโกรธเคืองเป็นกําลังก็ตวาดด้วยเสียงอันดังว่าเฮ้ย hey, ไอล้ล้นจะไปข้างไหนน่ะ เห็นข้าแล้วทําไมไม่แสดงความประรอบทำกิริยาเฉยเมยอวดดีเหมือนหนึ่งข้าไม่ใช่ราชโอรสตรัดอย่างนี้แล้วพระทรงเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้ทรงคุณยังเฉยอยู่ตามเดิมก็ทรงโกรธเคืองหนักขึ้นก็กระโดดลงจากคอช้างเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าพระประเจกับพุทธเจ้าเอื้อมมือไปจับขอบบัตรเสร็จแล้วก็บอกว่าโอ้เอเนี่ยเหรอเนี่ยเหร อ, หรอคืออาหารที่ไปขอทานเข้ามา เมื่องโง่เซอ้อซาไม่รู้จักเราซึ่งเป็นพระราชโอรสผู้ควรแก่การเคารพก็อยากกินอาหารมือนี่เลยจัดอย่างนี้แล้วพระราชกุมารผู้เมายศเมาศักไม่ทรงสาว่าตัวจะประสบความวิบัติอย่างใหญ่หลวงยังไงก็ทรงกระชากบาดจากหัดของพระปเจกพุทธเจ้าเวียงโครมลงไปที่กอไม้ใกล้ทางด้วยความโกรธพระปเจกพุทธเจ้ารูปนั้นมีพระนามว่าพระสุเนศปเจกพุทธเจ้า พอเห็นพระราชกุมารกระทากรรมอันบาปหยาบช้าอย่างนี้ก็มีจิตกรุณามองดูพระราชกุมารด้วยความทั้งเวทใจอ๋ออ๋ออ๋อมองหน้าเลยว่าล้นเราทําแค่นี้โกรธเหรอจ้องมองหน้าเอาสิจะทําทอะไรก็เอาเรานี่แหละคือโอรสของพระบรมกษัตริย์ในเมืองนี้เมื่อเจ้าจะทำไร้เรายัางไงเชิญเลยพระราชกุมารผู้โอหังประตุสลัย พระปเจกพุทธเจ้ากล่าวคำเยอะเยอะอย่างนี้แล้วก็เสด็จขึ้นคอช้างไปได้หน่อยหนึ่งพอรับตาพระประเจกพุทธเจ้านั้นแล้วก็ทรงกระหายน้ำเป็นกาลังก็รับสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายไปตักน้ําที่บ่อที่พระราชบิดารับสั่งให้ขุดไว้แต่ด้วยอํานาจของกรรมบ่อน้ําแห้งหมดไม่มีน้ําเลยราชบุรุษทั้งหลายกลับมากราบทูลว่าน้ําไม่มีจะรีบไปหาน้ําบ่ออื่นมาถวาย พระราชกุมารผู้มีกรรมก็ทรงอยู่ไม่ไหวพอไม่ได้ดื่มน้ําก็สิ้นประชนมายุดับสังขารในที่นั้นสมจริงอย่างที่เหล่าราชยานปยากรไว้ทุกประการเสร็จแล้วก็ถูกกรรมชั่วชุดกระชากลากไปอุบัติเป็นสัตว์นรกอเวจีโดนไฟเผาอยู่ตลอดเวลานานเป็นหมื่นปีครั้นพ้นจากอเวจีหมหานารกแล้วก็มาปฏิสนธิถือกาเนิด เ, เป็นเปรตในเปรตวิสัยได้เสวยทุกขเวทนาด้วยการอดอาหารไม่ได้บริโภคข้าวน้ําเป็นเวลานาน ขั้นถึงสมัยที่องค์สมเด็จพระสมณะโคโดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเสด็จมาอุบัติตรในโลกนี้แล้วเปรตอดีสัตว์มห า, ารกราชกมุมารโอหังนั้นก็พ้นจากความเป็นเปรตมาถือปฏิสนธิเป็นบุตรชายคนสุดท้องของชาวประมงตระกูลหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เมืองกุงธน akan ด้วยเหตุที่ในชาติก่อนตัวเคยสร้างกุศลกรรมความดีไว้บ้างก็ระลึกชาติได้ เมื่อจเจริญวัยแล้วกุมารลูกชายประมงนั่นก็ระลึกขึ้นได้ว่าเราได้เสวยทุกขเวทนามาช้านานด้วยการประพฤติกรรมชั่วไว้เมื่อครั้งเป็นพระราชกุมารราชโอรสของพระเจ้ากิติวัตรราชปทุสรายพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตอดข้าวอดนำ้ำพอสิ้นกรรมจากเปรตวิสัยแล้วก็มาเกิดในตระกูลของชาวประมงอยู่ณบัด น, นี้ พอระลึกชาติได้อย่างนี้แล้วกูมารนั้นก็มีจิตไม่ผ่องแพ้วกลัวแต่บาปจะกรรมไม่ปรารถนาจะฆ่าเนื้อฆ่าปลาตามตระกูลวงศญาติที่เคยทำํำพอเห็นหมู่ญาติทั้งหลายเอาไขา่ไปดักปลาไว้ก็แอบไปทําลายเสียถ้าได้ปลามาแล้วเห็นปลาในนั้นดิ้นอยู่ก็นําไปปล่อยเสียพ่อแม่บังคับให้ไล่ปลาในน้ําทําการประมงถ้าลีกได้ก็หลีกไปให้พ้นอ่าไม่ไปถ้าขราวใดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไปหาปลาด้วยความจําเป็น พอชาวประมงเพื่อนกันได้ปลาคาเนดูว่าตัวมีกําลังมากกว่าก็เข้าไปขโมยปลาที่เขาหาได้ปล่อยลงในน้ำซะอีกนะคนทั้งหลายเหล่านั้นก็เอาความมาบอกแก่พ่อแม่ของเขาฝ่ายพ่อแม่เห็นว่าเจ้าลูกชายของตัวนี่มันประพฤติตนเป็นคนจันไรสําหรับชาวประมงบ่อยครั้งเหลือเกินก็ไม่พอใจก็เลยขับไล่ออกจากบ้านไปพอถูกไล่ออกจากบ้านกุมารนั้นเป็นเด็กพเนจรเดินทางอดมือกินมือนม้อไปตามยถากรรม วันหนึ่งก็เดินทางมาถึงที่อยู่ของพระอนุนเถระเจ้าเวลานั้นตอนเช้ า, าพระพระอานุนท่านกําลังฉันพระทาหารพอเห็นกุมารเข้าไปใกล้ไปถวายน้ำมศาการอยู่แทบเท้าท่านก็รู้ดีว่าเขามีความต้องการอาหารคงจะหิวมากท่านก็แบ่งอาหารให้พอสมควรก็ไต่ถามถึงความเป็นมากุมารก็เล่าเรื่องของตัวเรียนถวายท่านตามความเคารพพระอนุนท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเธอบับรพชาพเป็นสา ม, มเณรจะไม่ดีกว่าหรอือ ข้านกุมารรับคําท่านนลท่านก็จะแจงหาสบงจีวรมาได้แล้วก็จัดการปลงผมแล้วก็บวชกุมารนั้นเป็นสามเณรตามความประสงค์แล้วก็พาไปสู่สํานักของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าอานน์สามเณร น, น้อยนี่เธอไปได้มาจากไหนเนี่ยท่านนก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบทุกประการแล้วก็บอกได้ว่าข้าแต่พระองค์สามเณร น, นี้เป็นผู้ไม่มีลาภสกสาระเพราะจัก่อนไม่ได้ทํากุศลไว้ มาในชาตินี้จึงได้รับความลาบากหนักหนาข้าพระองค์คิดว่าจะอนุเคราะห์แก่สมเณรโดยให้หมอบน้ําแก่เธอไปตักน้ําถวายพระภิกษุเป็นนิดทุกวันทั้งนี้จะเป็นประการใดพระเจ้าค่ะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตแล้วพระเถระเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วมอบหม้อน้ำํำอ่าแล้วก็ให้สมณเณรไปคอยปฏิบัติรับใช้พระภิกษุทั้งหลายด้วยความเอาใจใส่ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเห็นสัมมเนนปฏิบัติเป็นอย่างดีก็มีจิตศรัทธารักใคร่ก็ถวายนิตยพัฒทุกวันไม่ให้สามเนนนั้นต้องได้รับความเดือดร้อนในเรื่องอาหารแต่ประการใดต่อมาพออายุครบบวชเป็นพระก็บวชพระอุสาหะพยายามบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นในสันดานโดยลาดับด้วยอานาจวาสนาบรารมีที่ตัวเคยบำเพ็ญมาไม่ช้าก็สามารถยังพระอรหัตตมัก พระอรหันตผลให้บังเกิดขึ้นได้ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันตผู้ทรงคุณสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนาฝ่ายว่าพ่อแม่และพี่ชายที่เป็นชาประมงเมื่อขับไล่ลูกคนเล็กซึ่งตัวลงความเห็นว่าเป็นคนจันไรออกจากบ้านไปแล้วในไม่ช้าก็พากระล้มตายไปตามๆกันทั้งสามคนแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตมีปากคอเท่ารูเข็มประกอบด้วยความลําบากอดอยากหิวห่วยเหลือประมาณ มีรูปทรงสันฐานผอมกระรองมีผิวกายดำเกรียมเหมือนถูกเผาด้วยเพลิงไม่มีผ้านุ่งประหมมีแต่หนังหุ้มกระดูกทุกวันก็ได้เสเวยทุกขเวทนาอยากข้าวอยากน้ำหน้าดำคล่ำเครียดหาความสุขไม่ได้อยู่แถวแถวภูเขาสาราราศีตามประสาผีเปรตผู้มีกรรมคอยรับส่วนบุญที่นี้มีอยู่วันหนึ่งกุมารพระเจนจรที่ว่าบวชแล้วกลายเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ย ท่านพาพระภิกษุสหายสิบสองรูปเดินทางผ่านขึ้นไปพักบนภูเขาสารนราีซึ่งเป็นที่อยู่ของเปรตซึ่งเป็นโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ชายพอเปรตชาราทั้งสองเห็นท่านก็เข้าใจได้เลยว่าเป็นลูกของตัวก็หันหน้ามาซุบซิบปรึกษากันเอ๊ะเอะนั่นดูเหมือนจะเป็นลูกชายคนเล็กของเราซึ่งเราขับไล่ออกจากบ้านเมื่อตอนก่อนนี้ไม่ใช่หรอโอ้โหบัดนี้ มันมีบุญวาสนาได้ครองผ้ากาสววาวพัดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหน้าตาผ่องใสคลองเจวรเหลืองอารามยังกะทองเฮ้ยเฮ้ยนี่เอ็งไปบอกน้องเอ็งซึ่งเป็นพระนี่น ะ, ะว่ากูทั้งสองซึ่งเป็นพ่อแม่ของมันน่ะแล้วก็มึงอ่ะเวลานี้ตายแล้วมาบังเกิดเป็นเปรตได้รับทุกเวทนาเป็นอันมากอยู่ตรงนี้น ะ, ะลูกลูกกูเป็นพระนี่จะมีวิธีช่วยเหลือประการใด เร็วเข้ารีบช่วยเหลือโดยเร็วไปไปบอกสิก็สั่งเจ้าเปรตลูกชายคนคนโตอ่าแต่ว่าเจ้าเปรตลูกชายคนโตยังมีความละอายไม่กล้าปรากฏกายให้มหาเถระเจ้าซึ่งเป็นน้องเห็นไม่กล้ากล่าวขอส่วนบุญตัวเองแต่ก็พยายามไปแสดงกายเพื่อให้เห็นเป็นหลายครั้งหลายหนในกลางคืนนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จทั้งนี้ก็เพราะอ่า องอรหันน้องชายในมัวสนทนาอยู่กับเพื่อนภิกษุไม่ได้สำรวมจิตพิจารณาเหตุทั้งหลายแต่ประการใดจนกระทั่งถึงรุ่งเชา้าเปรตหนุ่มเห็นพระอรหันต์น้องชายพาเพื่อนสองลงมาจากภูเขาเพื่อเข้าไปบินทบัตในละแวกบ้านก็วิ่งเข้าไปดักหน้าคุกเขา่ายกมือท่วมหัวแล้วก็ร้องเรียกขึ้นน้องชายข้าเอ้ยจำได้ไหมเล่าตัวข้านี่เป็นพี่ชายของท่าน ข้าทําการกิริยาตายแล้วมาเกิดเป็นเปรตมีความเป็นอยู่แสนจะน่าทุกรมร์เพราะเหตุที่ไม่ได้ประกอบการกุศลไว้เลยทำแต่กรรมบาปหยาบชา้าถึงพ่อกับแม่ของเราทั้งสองก็เหมือนกันเป็นเปรตเหมือนกันเนี่ยได้รับทุก เ, เวทนาเหลือกําลังอยากจะขอความช่วยเหลือขอส่วนบุญจากท่านถ้าท่านไม่ปราณีอข้าซึงเป็นพี่แล้วก็พ่อแม่เห็นจะไม่แคร์เป็นเปรตอย่างนี้ตลอดไปขอท่านจงพิจารณาหาทางช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอด พระมหาเถราเจ้าท่านไม่สามารถได้รู้เห็นแล้วก็ได้ยินคําร้องของเปรตหนุ่มพี่ชายอ่าซึ่งอุตากล่าวขอมาอย่างยืดยาวอ่าไม่ได้ยินเลยชั่งนิดนึงท่านกลับนําหน้าพาเพื่อนสองเดินเรื่อยไปทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านมัวแต่สารวมอินทรีย์ไม่ได้พิจารณาเหตุอะไรอื่นเช่นเดียวกันกับเมื่อคืนนี้แหละเปรตหนุ่มผู้มีกรรมไม่เห็นพระน้องชายไม่เห็นไม่รู้เรื่องที่ตัวบอกเดินเฉยเลยไปอย่างนั้น ใบหน้าที่หมองอยู่โดยปกติธรรมดาเปลตก็ยิ่งซ้าดำลงไปอีกเดินโซเซโ ซ, ซสัดเข้าไปยังที่อยู่ของเปรตซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็แจ้งเรื่องให้ทราบเสร็จแล้วเปรตทั้งสองก็ช่วยกันพูดยุโยงส่งเสริมให้มันเกิดกำลังใจพยายามไปขอส่วนบุญพระน้องชายอีกต่อไปเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรดีกว่า น, นี้อีกแล้วมันกุศลาไปเฝ้าดักหน้าดักหลังพระน้องชาย ในเวลาที่ท่านลงมาจากภูเขาเพื่อเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านเป็นเวลานา น, านหลายวันในที่สุดความพยายามของมันอยู่เป็นผลสําเร็จในวันหนึ่งพราเช้าวันหนึ่งองค์อรหันต์ท่านบังเอิญเหอเห็นเปรตพี่ชายด้วยตาทิพย์พอทราบจากปากคําของเปรตพี่ชายว่าพ่อแม่ได้รับความทุกข์มาเกิดเป็นประทัดตูปชีวีเปรตมีเจตนาเลื่อมใสอ่าจะอนุโมทนาส่วนกุศลอย่างนั้นท่านก็เลยบอกกับเปรตพี่ชายไปเอาเถอะ เดี๋ยวเราจะทําความปรารถนาของท่านทั้งหลายสําเร็จขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจคอยอนุโมทนาให้ดีก็แล้วกันตอนสายวันนี้บอกกระเปิดพี่ชายอย่างนี้แล้วท่านก็เดินนําหน้าพาเพื่อนสงเข้าไปบินทบาทในบ้านได้อาหารพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับมาก็ขึ้นไปบนภูเขาซึ่งเป็นที่พักก่อนที่จะฉันประตาหารท่านก็กล่าวกับเพื่อนสงทั้งหลายบอกว่าเออท่านทั้งหลายวันนี้กระผมใขรจะขออาหารที่ท่านบินทบาทได้มาทั้งหมดทุกรูปในฐานะที่เราเป็นสหายกัน เพราะว่าโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ชายของกระผมตายไปบังเกิดเป็นเปรตตัวกระผมนี่มีความปรารถนาจะถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์สักสิบสองรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เปรตผู้เป็นโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ชายแต่อาหารที่กระผมบิณฑบาตได้มาในวันนี้ไม่พอก็ใครจะขอจากพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นสหายกันจะยินดีให้แก่กระผมได้หรือไม่ครับอ้าวก็จะเป็นละลายไปแล้วเอาเถอะพวกเราทุก ทุกรูปเนี่ยยินดียกอนุญาตให้ท่านขอให้ท่านจงตั้งใจถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปตะชนตามอัตยาสายท่านเถอะพระภิกษุผู้สายกันเหล่านั้นก็ยอมอนุญาตยกให้ด้วยความเต็มใจเสร็จแล้วท่านก็ตักเอาอาหารที่ตัวบินธบาตมาได้ใส่ลงในบาตรเหล่านั้นตั้งจิตคิดถวายเดินสังฆทานเสร็จแล้วก็ยกอบาตรเหล่านั้นเข้าไปประเคนถวายคืนแก่เพื่อนสงฆ์ทั้งสิบสองรูปนะแล้วก็ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลอ่า อีทางโนโยาตินังโหตุขอกุศลผลลทานนี้จงเข้าไปสําเร็จแก่ญาติคนสําคัญคือบิดามารดาและพี่ชายของข้าพเจ้าซึ่งไปเกิดเป็นเปรตในกา ร, ระบาดนี้ด้วยเถิดเปรตร่างร้ายซึ่งเป็นพี่ชายและบิดามารดาผู้มีกรรมทั้งสามตนมาเดินเวียนวนเฝ้ารอคอยอยู่ณนะบริเวณนั้นเป็นเวลานา น, านมาแล้วพอเห็นองค์อรหันต์เจ้าจัดการถวายสังฆทานแก่เพื่อนสงฆ์ด้วยกันตามที่บอกไว้ก็ดีใจนักหนา ัาพลันที่พระมหาเถราเจา้ากล่าวคำอุทิศให้แก่ตัวจบลงก็ยกมืออันผอมเกรงมีหนังหุ้มกระดูกขึ้นเหนือหัวตั้งจิตโมทนาส่วนกุศลพลทานนะด้วยความคาระวะเป็นอย่างยิ่งแล้วเปรตร่างร้ายทั้งสามตัวก็ให้มีอันเป็นไปขาดใจตายพ้นจากเปตวิสัยไปในบัดดล มีเศรษฐีคนหนึ่งครับนอกจากจะมั่งคั่งร่ํารวยมหาศาลแล้วยังเป็นคนใจบุญสุนทานเปี่ยมด้วยจิตเมตตาการุณาเป็นที่สุดอ่าถ้าอย่างนี้น่ารวยหน้าเป็นเศรษฐีเพราะรวยแล้วดีนะเป็นคนใจดีวันหนึ่งขณะกําลังเดินไปตลาดท่านเศรษฐีก็ไปเห็นตาผ้า้าตัวหนึ่งถูกจับมาขายมันได้รับบาดเจ็บอยู่ท่านเศรษฐีก็รู้สึกสงสารจับใจก็เข้าไปขอซื้อ คนขายรู้ว่าท่านเศรษฐีเป็นคนมีจิตเมตตาชอบซื้อสัตว์ไปปล่อยเพราะฉะนั้นก็เรียกราคาตะภาพน้ำสูงถึงยี่สิบเท่าตามวิสัยของคนเห็นแก่ตัวแต่ว่าท่านเศรษฐีไม่ต่อรองราคาแม้แต่บาทเดียวพอกลับถึงบ้านท่านเศรษฐีก็เอาตะภาพลงในอ่างน้ำที่สะอาดแล้วค่อยๆเช็ดถูเอาคราบดินโคลนออกจนหมดจากนั้นก็นายาสมุนไพรามาชโลมบาดแผลจนทั่ว ด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาตาภาพตัวนี้ก็หายเป็นปกติท่านเศรษฐีก็เลยนำาไ ป, ปล่อยลงในแม่น้ำแล้วก็ยืนมองตาภาพที่ค่อยๆว่ายจนกระทั่งลับสายตาไปหลายเดือนผ่านไปกลางดึกคืนหนึ่งท่านเศรษฐีสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงครุกรักดังที่หน้าประตูเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าที่แท้เป็นตภาพน้าที่ท่านเคยช่วยชีวิตไว้ แต่ที่ยิ่งอัศจรรย์กว่านั้นก็คือตภาพน้ํานะพูดภาษาคนได้ก็บอกเกเตรษถีบอกว่าท่านผู้มีพระครุณครับตอนที่ชีวิตของข้าพเจ้าตกอยู่ในอันตรายท่านได้ช่วยเอาไว้พระคุณของท่านในใหญ่หลวงเหลือเกินข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่สัตว์น้าธรรมดาตัวหนึง่งไม่มีสิ่งใดมาตอบแทนท่านรู้สึกละอายใจจริงๆแต่ว่าชีวิตที่อยู่กับน้ํามาตั้งแต่เกิดเนี่ยทาให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของน้ํา ข้าพเจ้าก็อยากจะแจ้งให้ท่านเสด็ีทราบว่าอีกไม่นานครับน้าเหนือจะไหลบ่าลงมาอย่างรุนแรงขอให้ท่านสั่งเตรียมเรือเพื่อขนสัมภาระข้าวของที่จําเป็นซะโดยเร็วทําไมอย่างนั้นแล้วชีวิตของนายท่านอาจจะเป็นอันตรายได้ท่านเสษ็ีก็ขอบคุณสภาพน้ําเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะลากลับนิสภาพน้ําก็สัญญาว่าจะกลับไม่อีกครั้งในยามที่ภัยมาถึง ครั้นเช้ารุ่งขึ้นท่านเศรษฐีก็เดินทางไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพระราชาเนื่องด้วยตลอดชีวิตที่ผ่านมาต่างรู้กันดีว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณธรรมมีจิตใจโอบอ้อมอารียากที่จะหาใครเหมือนเหตุนี้องค์พระราชาก็ทรงเชื่อถือคํากราบทูลของท่านแล้วก็ตรัสสั่งให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือกับภัยน้ําเหนือที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันต่อมา ขณะที่น้ําเหนือซึ่งมีปริมาณมหาศาลกําลังไหลบ่าท่วมบ้านเรือนและไร่นาลงมาเรื่อยๆสภาพน้ําก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งตามสัญญาเสร็จแล้วก็บอกว่าน้ําเหนือจวนจะมาถึงแล้วนายท่านรีบขึ้นเรือแล้วก็ตามขบเจ้ามาโดยเร็วเถอดเดี๋ยวจะพาท่านไปยังในที่ปลอดภัยท่านเศรษฐีก็ปฏิบัติตามอย่างไม่รีรอเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวน้ําเหนือก็ไหลบ่าท่วมท้นเป็นบริเวณกว้าง เรือของท่านเศรษฐีถูกกระแสน้ําสัต์ลอยไปอย่างรวดเร็วระหว่างที่เรือกําลังไหลไปไม่หยุดนะท่านเศรษฐีก็อยู่ในเรืออย่างปลอดภัยแต่พอมองไปข้างหลังก็เห็นงูตัวหนึ่งถูกน้ําสัต์จนอ่อนแรงเต็มทีจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วท่านเศรษฐีก็เลยใช้ไม้พายวักเอา ง, งูขึ้นมาไว้บนเรือด้วยด้วยความสงสารต่อมาก็ยังได้ช่วยสุนัขยิ่งจอกที่กําลังจะจมน้ําอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทั้งท้ายที่สุดท่านเศรษฐี เห็นคนคนนึ่งกำลังลอยคอไปตามกระแสน้ําก็พยายามจะ เ, เข้าไปช่วยแต่คราวนิตภาพน้ําร้องห้ามท่านเศรษฐีอย่าไปช่วยเลยมีคนไม่น้อยเลยที่อ้างตัวเป็นนักบุญแต่ที่จริงคือปีศาจคนที่ท่านเห็นว่ายน้ําอยู่เนี่ยเป็นพวกปากอย่างใจอย่างเนรคุณผู้ที่มีพระคุณจิตใจไร้คุณธรรมท่านอย่าได้ช่วยเขาเป็นันขาดนะท่านเศรษฐีนะแต่ท่านเศรษฐีก็กลับบอกเออคําพูดของเจ้าก็มีเหตุมีผล แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ยินดีช่วยเหลือทั้งหมดนี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานเรายังช่วยเขาแล้วคราวเนี้คนกำลังจะจมน้ำตายอยู่ต่อหน้าแล้วข่าจะไม่ช่วยเขาได้ยังไงอะในที่สุดท่านเศรษฐีก็ช่วยคนคนนั้นขึ้นเรือมาแต่ภาพน้ำก็ได้จะถอนหายใจเสร็จแล้วก็รำพึง บอกว่าอืมคนใจบุญนะคนใจบุญไม่เคยจะคิดเรื่องเรียลไลนของคนอื่นเลยจริงๆหลายวันผ่านไปเหตุการณ์เรียวไรก็สงบลงเรือลอยมาถึงที่ปลอดภัยแต่ภาพน้ำก็ขอลาจากไปทั้งงูสุนัขจิ้งจอกและคนต่างก็แยกย้ายกันไปสำหรับสุนัขจิ้งจอกนี่มันพบถ้าเล็กๆซึ่งมันสามารถก็จะอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย อยู่มาวันนึงสุนัขจิงจอกก็ได้พบว่าลึกเข้าไปในถ้ำนะมีหายโบราณที่บรรจุเหรียญทองคําเมาไว้จนเต็มมันก็ดีใจมากแล้วก็ไม่รอช้าละ่ะสุนัขจิงจอกก็รีบวิ่งออกไปตามหาท่านเศรษฐีจนพบเสร็จแล้วมันก็บอกว่าเออข้าพเจ้าพบหายทองคําที่คนโบราณเขาซ่อนไว้ในถ้ำเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีมอบทองคําทั้งหมดให้ท่านอันที่จริงแล้วท่านเศรษฐีไม่มีใจอยากจะได้ทองคําเหล่านี้หรอก เพราะว่ารวยอยู่แล้วแต่เมื่อไตร่ตรองดูแล้วเห็นว่าในภาวะการหลังจากที่เหตุการณ์ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยผู้คนก็ล้วนแต่จะต้องอยู่กันอย่างทุกข์ยากลาบากโดยเฉพาะคนยากคนจนเพราะฉะนั้นหากนำเอาทองคำจำนวนนี้ออกมาแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนมันก็จะได้ประโยชน์กว่าคิดได้อย่างนี้ท่านเศรษฐีก็ตามสุนัขจิ้งจอกไปเอาทองคาที่ถ้าของมันแต่โดยที่ไม่คาดคิด ผู้ชายคนที่ท่านเศรษฐีช่วยเขาจากการจมน้ําตายแอบได้ยินเรื่องทองคํานี้ก็สะกดรอยตามมาดักอยู่ที่หน้าถ้าเมื่อเห็นท่านเศรษฐียกหายทองคําออกมาเขาก็บอกว่าท่านเศรษฐีท่านต้องแบ่งทองคําในหายให้ข้าด้วยนะท่านเศรษฐีก็คิดว่าจะช่วยเหลือเขาก็หยิบทองคําให้เขากํามือหนึ่งแต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าต้องได้มากกว่านี้นะไม่งั้นเขาจะไปแจ้งความต่อทางการว่าท่านขโมยทองคนอื่น ท่านเศรษฐีก็พยายามอธิบายว่าทองคําเหล่านี้จะต้องเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยที่กําลังรอคอยความช่วยเหลือให้ทั่วถึงแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายเขาก็ไปชักชวนเพื่อนฝูงที่เป็นพวกอันธพาลพากันไปให้การเท็จเพื่อแจ้งจับท่านเศรษฐีเวรกรรมท่านเศรษฐีใจบุญต้องถูกทางการจับกลุมตัวในข้อหาขามโมยทองแล้วก็ถูกตัดสินจําคุก ฝ่ายสุนัขจิงจอกเมื่อทราบว่าผู้มีพระคุณของตัวได้รับความเดือดร้อนก็รีบไปปรึกษางูที่รอดชีวิตมาด้วยกันงูก็ครุ่นคิดอยู่สักพักเดี๋ยวข้ามีวิธีจะช่วยเศรษฐีแล้วละ่ะว่าแล้วงูก็เลื้อยเข้าไปในดงหญ้าที่รกร้างแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับมีต้นสมุนไพรค า, าบอยู่ในปากจากนั้นมันก็เลื้อยเข้าไปในคุกก็พบท่านเศรษฐีกาลังนั่งอยู่ที่ห้องขังเด้วยสีหน้าซีเซียวหมดอะไรตายอยาก งูผู้มีความกระตันยูเขาเข้าไปกระซิบบอกว่าท่านเศรษฐีท่านอย่าได้เป็นทุกข์ไปเลยข้ามาช่วยท่านแล้วท่านเศรษฐีฟังให้ดีนะเดี๋ยวข้าจะเอาสมุนไพรเนี่ยมอบให้แก่ท่านท่านต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะมันจะช่วยท่านได้ว่าแล้วงูก็รีบเลื้อยออกไปโดยไม่เปิดโอกาสให้เศรษฐีได้ซักถามอะไรกลางดึกคืนนั้นงูก็เลื้อยเข้าไปกัดเจ้าชายในห้องบรรทมเป็นเหตุให้ทั่วพระราชวังต้องวุ่นวายโกาลาหลไปหมด หมอหลวงหลายสิบคนก็ใช้ทุกวิธีในการถวายการรักษาแต่เจ้าชายก็ไม่ฟืน้นแม้ว่าจะเกณฑ์หมอทั้งเมืองมารักษาก็ไม่เกิดผลทั้งนี้ก็เป็นพรองงูที่กัดนั้นมีพิษที่ไม่เหมือนงูอื่นมีเพียงสมุนไพรจำเพาะเท่านั้นที่จะรักษาได้กระสัดกร้อนรุ่มกลุ้มพระไทยเหลือเกินก็มีพระราชาองค์การให้ประกาศว่าถ้าหากว่าใครสามารถช่วยชีวิตเจ้าชายได้พระองค์จะพระราชาทานยศถาบรรดาศักดิ์พร้อมทั้งยกอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้ เมื่อข่าวนี้แพร่เข้าไปถึงในคุกท่านเศรษฐีก็รีบขออาสาทันทีท่านเศรษฐีก็ใช้สมุนไพรที่งูมอบให้นี่ถวายการรักษาจนเจ้าชายสามารถกลับฟื้นคืนสติแล้วก็หายเป็นปกติดังเดิมพระสัตรีพระไทยมากประสงค์ไต่ถามความเป็นมาถึงสาเหตุที่ท่านเศรษฐีต้องถูกจองจําในคุกท่านเศรษฐีก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบพระองค์ก็ทอดถอนพระไทยก็รับสั่งว่าเออนี่เป็นความผิดของข้าเอง ที่เม่ไม่เอาใจใส่ดูแลราสดรให้ดีเท่าที่ควรทำให้เจ้าซึ่งเป็นคนบริสุทธิ์ต้องมารับทุกข์อย่างนี้เสร็จแล้วองค์กษัตย์ได้ทรงรับสั่งให้จับตัวไอ้ผู้ชายในรคุณคนนั้นรวมทั้งพักพวกทั้งหมดไปประหารชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในแผ่นดินอย่างนั้นก็ทรงแต่งตั้งท่านเสร็จถีใจบุญขึ้นเป็นผู้ร่วมปกครองแผ่นดินก็เคียงคู่กับพระองค์สืบมาครับนิทานครับจบ ครับจากันวันนี้ด้วยภาษิต ท, ที่ว่าปฏิรูปการีธุระวาอุทาตาวินทะเตทนังแปลว่าคนมีธุระมันทำการงานให้เหมาะเจาะย่อมหาทรัพ์ได้ขยันทำการงานให้เหมาะเจาะเพ่งพิเคราะห์ตรวจดูให้รู้ทั่วหาทรัพได้ใช้คล่องไม่ต้องกลัวเป็นเจ้าสัวเงินงานบานกมลแต่คนเกียจคนคร้านงานไม่ต้อง คอแต่จ้องกินใช้ไม่ขวายผลจะตกต่ำลำบากลงยากจนกลายเป็นคนจนจอขอเขากินสวัสดีครับ